ตอนการศึกษาที่ล้มเหลววันที่2ตุลาคม2559กาบนมัสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณเม่ชีกัลยาณมิตรทุกท่านนั่งสบายสบา ย, บายเนาะตอนนี้ทุกวันอาทิตย์นะเหมือนเราประชุมครอบครัวใหญ่ถามว่าสูตรบาลานอคอยคืออะไรมันเป็นวัดไหม เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมไหมเป็นโรงเรียนไหมเป็นเกษตรก ร, กรไหมนะศูนย์ประหลานข่อยไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่มันคือทุกสิ่งมันคือวิถนะีก็ไม่ใช่เฉพาะศ า, านะสนาศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งมันเป็นหลากหลายมันคือทั้งหมดอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตเราเนี่ยนะ ที่มันควรจะทำและเราก็ทำได้สุบรันคอยก็ทำนะอยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้องเห็นหคนหนึ่งหลุดคนหนึ่งก็ตวนสติกันแต่มีเราหลายพ่อพันแม่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยยังแบกเรื่องทิฏฐิมนณะมาอยู่นะยังมีหลุดบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะทรายก็อยู่อย่อยางทรายน้ำมันอยู่อย่างน้ำมันเกลืออยู่อย่า ง, างเกลือนะ อยู่ร่วมกันต่างคนต่างอยู่อยู่ร่วมกันนะทั้งหมดไม่ต้องเหมือนกันยอมรับในความแตกต่างเราใช้ทุกคนคิดเหมือนเราทำเหมือนเรามันไม่ได้มันไม่ใช่ความจริงความจริงคือมันไม่เหมือนกันมีอย่างเดียวที่จะเกิดความสันติสุขยอมรับในความแตกต่างยอมรับในความที่มันเป็น แต่ตอนนี้เรามีทิฏฐิมานะเราตัวเองเป็นที่ตั้งเอาสายตาเอ่อเอาความเชื่อตัวเองไปกําหนดเขาทีนี้เมื่อเราไม่ยังไม่แข็งแรงเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงวิธีง่ายที่สุดก็คือนิ่งๆ น, นะยังไม่แน่ใจอย่าทำนะโดยเฉพาะเราไปเยี่ยมบ้านเขาโอเคพวกครูเคยอยู่ตะวันตกเราไปเยี่ยมเพื่อนฝรั่ง ไปบ้านพอรถถอดรองเท้าก็าไปเขาถามว่าคุณทําอะไรคุณจะทําอะไรเวลาเขาถอดรองเท้าก็คือเวลาเขาอาบน้ํากับเวลานอนนะถ้าเรามาเยี่ยมคนไทยไปบ้านปุ๊คุณไม่ใส่รองเท้าเนี่ยเขาบอกคุณจะทําอะไรไหมบางอย่างเราไม่รู้เราก็สํารวมระวังนะเราก็ต้องเรียนรู้กันว่าเออที่นี่วัฒนธรรมเคานเจอร์ ประเพณีเขาเป็นอย่างไรนะยาวตัวเองเป็นที่ตั้งเดี๋ยวเพอเพอสร้างกรรมโดยไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาก็โดนนะเราไม่มีเจตนาแหละแต่มันกระทบเขาละเขาฝังบันทึกสัญญาเขาก็เกลียดเรานะถ้าในทางโลกเรียกว่ากาละเทสะหรือมาลยาทนะแต่กิเลสมันชอบรบกวนเราอ่ะนะวันนี้ก็มีสองสามเรื่องเป็นวันเบาๆนะ ก็ช่วงที่ผ่านมาสองสามเดือนงานใหญ่งานหลักนะของศูนย์เราก็คือการเข้าพรรษานะการเข้าพรรษาเป็นอุบายวิธีในทางศาสนาพุทธนะเป็นอุบายให้เราหยุดไม่จำเป็นไม่เดินทางนะคือมันมีที่มาที่ไปในอดีตเนะี่ยเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนะ ถ้าพระคุณเจ้านะนักบวชเราเนี่ยไปเดินทางเดี๋ยวก็ไปลูกที่นาเขาไปรบกวนนะชาวบ้านเขาก็กำลังทำกิจกรรมเขาอยู่เขาเป็นช่วงที่หยุดแล้วก็ใช้โอกาสที่เราหยุดเนี่ยนะมุ่งมั่นสะสารตัวเองอยู่กับตัวเองนะนี่คือไวยะของการเข้าพรรษา แต่จิตเรายังคิดไปโน่นคิดไปนี่อยู่นะก็ไม่รู้จะเข้าปรรษาทําไมเพราะเราไม่เข้าใจว่าเข้าปรรษาทําไมนะโดยเฉพาะเทอมนี้ปรรษานี้เป็นพรรษาที่พิเศษนะเราก็มีเด็กๆนะบวชเนนบวชชีน้อยบวชชีมัธยมนะก็ถือโอกาสถ้าในทางสังคมเราอยู่ในประเทศไทย นะเราปกครองเรามีสถาบันสูงสุดนะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และคนไทยเราคนพูดเราเนี่ยก็เป็นเน้นเรื่องกระตันยูรู้คุณเราถึงใช้โอกาสนี้เนี่ยนะบวชนะเพื่อสนองคุณแผ่นดินเกิดบวชถวายเป็นพระราชกุศลต่อพ่อหลวงของเราที่เรียกเรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินนะพระองค์ทุ่มเทตลอด พระชนมาายุของพระองค์เนี่ยเจ็ดสิบปีนะดูแลบ้านหลังใหญ่นี้ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดในโลกนี้ที่ทุ่มเทขนาดนี้แล้วก็เป็นประักษัตริย์องค์แรกที่อยู่ในพระราชบัลลังก์ยาวที่สุดแล้วก็ทรงกระทําความดีมากมายนะดูแลประเทศเราเจ็ดสิปี นะแล้วพระลาชินีก็มีอายุครบเจ็ดรอบด้วยที่เราเรียกว่าเป็นปีมหามงคลเราก็ใช้โอกาสนี้นะนะสนองคุณนะท่านในทางโลกบอกเพื่อเป็นกำลังใจนะเราก็ถือโอกาสนี้บวชนะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะ ไม่ใช่พรอคูคิดอยากทำเป็นอุดมการไม่ใช่นะพรอคูก็สอบอารมณ์นะพราคูไม่ใช่คนบวชนะเมื่อเด็กๆนักเรียนนะก็เห็นพร้อมก็ภาวนาตัวบวชนะพรากูก็ทำพิธีส่งเสริมให้บวชบวช ด, ด้วยก็เรียนรู้ไปได้วยกันด้วยพราคูก็ยังเรียนรู้พวกเราและผ่านมาแล้วจากวันนั้นวันนี้เข้าพรรษาปกติก็มีสิบสองอาทิตย์ เราผ่านมาแล้วสิบอาทิตย์ก็นับถอยหลังเหลืออยู่สองอาทิตย์นะก็เหมือนเราเดินทางมันก็จะถึงฝั่งใกล้ถึงเป้าหมายแล้วนะดีมาตั้งแต่ต้นทั้งเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องปลายนี่ก็ประคองให้เรือลำนี้ถึงฝั่งอย่างบริบูรณ์นะก็เรียกว่าสุดยอดให้มันถึงสุดยอดนะก็พระครูก็เข้าว นะข้าวๆวันที่ส6กวันออกบรรษานะเราก็ถือโอกาสพุทธบริษัพ4ีในศูนย์นี้จะเป็นพระคุณเจ้านะพระภิกษุสามเณรทั้งคุณแม่ชีนะแล้วก็แม่ชีมัธยมแม่ชีปฐมรวมทั้งคุณครูอาทิตย์หน้าคุณครูโรงเรียนเราสองโรงเรียนก็มาเข้าค่ายที่นี่วันนี้พระครูบอกให้มารวมกัน แล้ววันที่16เป็นวันที่เรารวมพลังกันมาขนทรายกันตอนเช้าทำบุญใส่บาทนะแล้วก็เสร็จแล้วมาขนทรายนะขนทรายทั้งวันให้เสร็จภายในวันเดียวนะเหมือนเราสร้างพระประทานพระ หลวงพ่อทันใจเนี่ยเราใช้เวลาวันหนึ่งถึงถึงเรียกว่าหลวงพ่อทันใจฟันเดียวเทเสร็จนะตอนนั้นมีคนเจ็ร้อยกว่าคนมาช่วยกันหิ้วนะปูนขึ้นไปเทนะอันนี้คือการรวมพลังบางทีชีวิตหนึ่งไม่มีโอกาสอย่างนี้นะโดยเฉพาะขุดบ่อน้ําสร้างศาลานี่ได้อันนี้สูงมากที่สุดโดยเฉพาะศาลาที่เข้ามาใช้ฝึกจิต เป็นเพียนเนี่ยได้นิสงมากนะถ้าเป็นศาลาแห่งนี้ทุกคนรู้ปุ๊บนะถ้าไม่มีพระพุทธรูปนะทุกคนแย่งกันมาจะเป็นเจ้าภาพนะคนที่เขา ม, มีมีมีปัญญานะนะเป็นแค่สัญลักษณ์ก็จริงแต่คนกราบไหว้ทุกวันนะกราบไหว้ทุกวันนะนะตายแล้วเขาก็ยังอยู่ โดยเฉพาะศาลาปฏิบัติธรรมที่เรามาขนทรายก็มีแห่งเดียวในโลกที่พื้นศาลาเอาทรายมาปูกตอนนั้นเขามีพิธีขนทรายเข้าวัดอะไรเพื่อจะเป็นงานก่อสร้างอันนั้นเป็นอุบายวิธีขนทรายเข้าวัดแต่เราเข้ามาวัดปุ๊บเราเหยียบทรายในวัดออกไปข้างนอกอันนี้ขาดทุนนะนะเขาถึงต้องจ่ายหนี้สงนะ่อนจะออกว่าต้องล้างเท้าดีๆทรายเม็ดหนึ่งยาวกลับบ้านนะถือว่า ไม่ได้ทำบุญนะเราเป็นคนขโมยนะอันนี้เป็นอุบายวิธีของคนโบานนะราณนะพอขนสายปุ๊บเป็นพื้นเห็นไหมเช้าสายบ่ายเย็นเราใช้พื้นนี้เนี่ยนะฝึกจิตเรานะซึ่งได้อันนิ้งสงมากที่สุดนะก็ขนสายวันที่สิบเจ็ดเห็นไหมเราก็มีพิธีรับกระถินกันนะก็ ญาติโยมที่เข้ามามาออกพรรษาแล้วก็มาทอดกระถินเขาก็มีโอกาสมาขนทรายด้วยนะพรรษานี้เรารวมพลังกันนะก็คิดว่าวันหนึ่งคงเสร็จแล้วนเะทใส่แล้วก็เนื่องจากนะเป็นความยิ่งใหญ่นะซึ่งเด็กๆภาวนาตัวซึ่งผู้ใหญ่หลายคนก็ทำไม่ได้ผู้ใหญ่มีข้ออ้างเยอะนะติดโน่นติด น, น, ดนี่ติดนี่ติดโน่น ติดโน่นติดนี่ติดนี่ติดโน่นร้อนห น, นักก็มักอ้างว่าเย็นหนักก็บังอ้างว่าอ้างเยอะมากเลยเด็กไม่อ้างหรอกเอาก็เอาเลยนะ <c oughs> เขาบทขนาดนี้พ่อครูเนี่ยกากพวกเราได้เลยลูกนะพวกเรายิ่งใหญ่มากนะส่วนทำแล้วเนี่ยทำได้แค่ไหนไมันเป็นเรื่องนำ ม, มาทำแต่รูปประทำปุ๊บเนี่ยเห็นไมเราทวนกระแสลูก ทนกระแสะยังไงเราปงผมเหม็นข้างนอกก้าปงไหมไหมนะนะผมไม่สวยไปยอมให้มันสวยไปอบไปอะไรก็ช่างยังไปรักษามันอยู่ด้ลวละเขาเ <ๆ S 1> ขาเขาห่วงมากเราปงเลยปงเขีวอีกนี่เราทนกระแสเห็นปงเสื้อผ้า ส, สวยๆงามๆลุกมีชุดขาวชุดเดียวแถมชุดดำด้วยไม่เป็นไรเห็นปงอาหารเย็นด้วย เราทําในสิ่งที่คนอื่นทําได้ยากนี่เราคือทวนกระแสเป็นอุบายในการทวนกระแสการปฏิบัติธรรมคือการทวนกระแสกิเลสเราทวนกระแสข้างนอกทวนกระแสรูปธรรมข้างในเราก็ปฏิบัติเช้าสายบ่ายเย็นขั้งในเราก็ทวนกระแสอารมณ์เราทวนกระแสกิเลสนะอันนี้คืองานใหญ่สำห ร, รับพ่อครูแล้วเนี่ยยิ่งใหญ่มาก เมื่อเราประคองจนงานนิสามริดนะเหมือนเราอยู่ในห้องแแบบนะตอนนี้เรากำลังวิจัยโปรแกรมหนึ่งนะศูนย์นี้กำลังวิจัยโปรแกรมมีโปรแกรมนี้ใช้เวลาหนึ่งพรรษานะทุกคนเป็นส่วนร่วมในโปรแกรมนี้นะน้องเนนก็มาบวชเนนะบวชชีชีปถมชีมัธยมแล้วก็ชีผู้ใหญ่เรวก็ทุ่มเทดูแล ลูกหลานเราเรากำลังวิจัยงานหนึ่งนะหลังจากออกัรษาแล้วเราก็มาสรุปผลงานที่วิจัยมันเป็นยังไงมันเกี่ยวกับอนาคตของศูนย์ด้วยว่าจะเดินไปอย่างไรไม่ใช่พรูอยากทาตามใจตัวเองมันเป็นอย่างนี้ไม่คิดเอาไม่ทำดูก่อนนะแล้วคนที่จะสรุปผลตรงนี้ก็คือลูกหลานที่เป็นนักบวชนะ ต่อไปรุ่นน้องๆเนี่ยเขาจะมาทําแบบเราได้ไหมเห็นไหมควรทําแค่ไหนมันพอดีนะครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นคุณแม่ชีพี่เลี้ยงเนี่ยเขี่ยบเกินไปหรือเปล่านะหรืออ่อนแอเกินไปหรือเปล่านะการดนำลงอยู่นี้เนี่ยมีอะไรไม่ดีเดี๋ยวเราสรุปผลเพื่ออนาคตข้างหน้ารุ่นน้องๆต่อไปเขาจะได้มาใช้ประโยชน์กับสิ่งนี้นะอันนี้เรากําลังหาคําตอบ แต่คำตอบม่อยู่ที่พ่อครูอยู่ที่พวกเราที่ลงในภาคปฏิบัตินะเราก็มาสอบอารมณ์ว่ามันน่าจะเป็นแบบไหนนะนี่คือประชาธิปไตยที่แท้จริงนะพ่อครูก็มีหน้าที่สนับสนุนคือเราอยู่กับที่ไม่ได้หรกตอนนี้ถ้าบอกว่าเรากำลังหาทางหาทางสายกลางความพอดีของเราเนี่ยถามว่าทาได้ไหมทำได้ไหม ส่วนโลกตอนนี้มันอยู่อย่างนี้มันอยู่ระดับนี้นะระดับ 70% นะพรา ก, กูทำมืออย่างนี้ปุ๊บพอเขาอ่านปุ๊บออก YouTube เขาไม่รู้ว่าระดับนี้แค่ไหนนะเอาตีว่ามันเจเราอยู่ระดับ 20% เร็นห็นมเราก็พัฒนาขึ้นมาหน่อยอยู่สัก 50% ได้ไหมไม่ห่างมันมากแต่ไม่เป็นหลงมัน เราก็เลาขึ้นมาห้าสิบเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันพัฒนาไปอยู่เก้าสิบหมันไม่มีวันสิ้นสุดมันไปตั้งความพอดีตายตัวไม่ได้เลยยิ่งจากนี้ไปเนี่ยโลกใบนี้โลกมนุษย์มันยากที่จะอย่างถึงมันจะหาเรื่องทุกตลอดเวลาเขาไม่พอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นนะพาะครูก็เลยดูว่าแล้วยังไงแค่ไหนพอดี นะคุมวันนี้เองนะหลันจะกพระคูดูรอบแล้วเฮ้ยอย่าหลงประเด็นนะความพอดีนี่พระพุทธเจ้าบอกเราแล้วนะเครื่องมือที่ทำให้เรารู้ว่าพอดีเนี่ยก็คือศีลสมาธิปัญญา ถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังนะิตามันเกิดดับมันอะไรก็ช่างแต่ถ้าเรามีเครื่องมือตรงนี้เนี่ยวินาทีนั้นเราจะรู้ว่าความพอดีเราอยู่ตรงไหนเพราะมันไม่มีสูตรตายตัวเลยว่าอา้าอันนี้เจดเรายี่สเราพัฒนาขึ้นมาถึงห0มันไม่อยู่กับที่ไอตัวเลขนี้มันขึ้นไปอีกแล้วบางทีโลกแตก เกิดสังข์ขลังขามโลกครั้งที่สา ม, มันฆ่ากันหมดเลยมันตายหมดแต่พวกเราบังเอิญว่าจะไม่รยกว่าโชคดีหรือโชคลายไม่รู้ธรรมชาติบอกพวกเธออย่าเพิ่งตายเธอต้องอยู่ดูแลโลกนี้ต่อไปตอนนั้นเราขึ้นมาห้าสิบเนี่ยมากไปไม่จำเป็นเห็นไหมมันไม่มีสูตรตายตัวมันเป็นไปตามเหตุและปัจจัย แต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าในเวลานั้นนั้น่ะแบบไหนมันพอดีเครื่องมือตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรามีอยู่แล้วคือศีลสมาธิปัญญาแต่ตอนนี้เราไปเรียนหนังสือเนี่ยเขาให้เราสอนไปเรียนเรียนหนังสือสังเกตไหมการไปโรงเรียนเนี่ยไปเรียนหนังสือเป็นเรื่มเร้นเพราะองค์ความรู้มันบันทึกในหนังสือนะนั่นแหละการศึกษาทุกวันนี้ ไปอ่านหนังสือไปท่องจำหนังสือแล้วก็ไปเมไปประเมินความจำกันว่ามีความรู้เท่าไหร่เราไม่ได้เน้นให้เด็กเนี่ยบ่มเพาะ อ, อุปนิสัยฝ่ายเรียนรู้ให้มันไปท่องจำความรู้ทุกคนเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันหมดเลยนะก็เหมือนเร็วๆนี้เนี่ยเพิ่งแบกมากช่วงนี้มี กลาคืนหลับปุ๊บตื่นมาเนี่ยมีข้อมูลใหม่ข้อมูลใหม่ทุกวันเลยนะแล้วคลื่นมันมาจริงๆหลังจากเราพัฒนาโลกนี้จนเจริญเต็มที่แล้วโอ้อะไรก็มีหมดเลยนะตอนนี้เราเป็นเรามีอิทิลิตนะเราหูทิปตาทิฟห่อเหินเดินอากาศได้นะเห็นไหมเขาแสดงละครที่ลอนดอนเนี่ยเราเห็นเลยนะตาทิฟนะเพื่อเราอยู่โตเกียวมันคุยกันเราเรื่องนี่หูทิฟนะ เราหอมาจากกรุงเทพเนี่ยชั่วโมงเดียวก็ถึงเนี่ยนะแต่มันไม่ได้ทำให้เราพลนทุกไม่พ อ, อยังชา้าเดี๋ยวมันมันจะเอาเร็วกันนั้นอีกมันจะพัฒนาพัฒนาแล้วเขาก็เห็นแล้วแต่แกแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้โครคภัยไข้เจ็บที่ไม่เคยเกิดเกิดหมดเพราะชีวิตมันเครียด ก, กว่าเก่าภูมิคุ้มกันตกต่ำ pollution สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหมดเห็นไมมนุษย์งงเห็นไและที่พคูเคยยกตัวอย่างว่าประเทศอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งในสิบของโลกที่เขาเจริญเขามีวัฒนธรรมมากเขาก็เห็นแล้วว่าเทคโนโลยีไหนก็แก้ปัญหาเขาไม่ได้ยาวิเศษไหนก็แก้ปัญหาเขาไม่ได้เขาก็เลยกลับมาอยู่ที่เจริญสติสูงสุดคืนสู่สามัญ เก่งเกงเสุดท้ายนะ่ะจะได้อะไรได้หมดเลยแต่ว่าชีวิตแก้ปัญหาไม่ได้ต้องกลับมาอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่สติกลับมาแล้วนะแต่พวกพัฒนาพัฒนาต่อไปอีกยังไม่หยุดเพราะมันแข่งขันแล้วถามว่ามนุษย์เราเนี่ยจุดไหนที่เป็นจุดจบจุดที่เราสําเร็จจริงๆแล้วไม่ต้องพัฒนาอีกไม่มี แล้วเราจะหาทางสายการที่มันตายตัวเลยได้ไหมไม่มีพระพุทธองค์เพงบอกเราว่าขอให้มีเครื่องมือศีลสมาธิปัญญาตอนนั้นแหละอะไรจะเปลี่ยนแปลงเรารู้เท่าทันมันไม่ใช่ไปตามมันยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าทุกคนเห็นที่นี่พ่อครูอยู่ที่นี่ย่างเท่า28อะที่บอกว่า27ตอนนี้ต้องบ ป, ปีนี้ต้องพูดว่า28นะ เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปกี่รุ่นแล้ะแต่สำหรับพ่อครูไม่มีปัญหามันหลอกพ่อครูไม่ได้เห็นไหมแต่ถ้าเราไม่มีตรงนี้เราก็มีข้ออ้างอุ้ยมันจําเป็นอุ้ยมันจําเป็นอุ้ยมันจําเป็นนะก็อ้างอ้างเพื่ออยากได้มันไงทีนี้วิธีสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กๆเนี่ยเพราะว่าเรารู้ว่าโลกมันเปลี่ยนถ้ามันไม่เปลี่ยนมันตายตัวแล้วนะโอ้ยง่ายเลยล่ะ ก็สอนให้มันเนี่ยอยู่กับสิ่งนี้ได้มันก็เอาตัวรอดแต่ตอนนี้มันไม่ใช่มันเปลี่ยนทุกวันน่ะเราจะทำยังไงเราจะไปตามดูแลเด็กให้เขาถึงแก่ได้ไหมเราตายก่อนเครื่องมือที่ให้เขาดบรงชีวิตต่อไปคือศีลสมาธิปัญญาเราทําแล้วนี่ถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าเพราะคู เ, เห็นแล้วผู้ปกครองเขาเห็นไหมเขายอมรับสิ่งนี้ไหมเด็กไม่มีปัญหานะ แต่เขาไม่มีปัญหาตัวปัญหาคือผู้ใหญ่บางผู้ใหญ่บางคนกลัวลูกจะได้เป็นคนดีกลัวลูกมันจะไม่ทุกข์เหมือนเราเพราะผู้ใหญ่ถูกบล็อกว่ะล่ะ in the box ถูกบล็อกว่าได้ความรู้ผิดพ่อครูก็ดูนะเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงเวลาที่เหลือนหนึ่งนาทีพกก่อครูเนี่ย แน่นอนเราเราจะไม่ทำอะไรงงๆยี่สิบเจ็ดที่แปดปีเนี่ยไม่ได้ทำงงๆแน่นอนแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่โงวไม่งงโลกมันเปลี่ยนทุกวันทีนี้ความพอดีมันอยู่ตรงไหนะล่ะการยึดมิตรเบางคนมาอยู่ที่นี่หลายปีแล้วนะเขาเขาพอใจที่เขามีอยู่นะไม่ได้ผิดนะแต่ผิดคือว่าพวกครูสร้างอีกแล้ว ท่างทำไงก็ไม่รู้เห็นไม้มเขาพอใจแค่เขาเป็นน่นะเขาไม่เคยคิดจะมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นเลยไงไม่เป็นไรเขาไม่ได้ผิดนะเขาก็ได้แค่นั้นไงเขาก็รอวันตายเฉยๆไงถ้าเราไม่มีศรัทธาครูบาอาจารย์เราเจะมีข้อลังเลสงสัยตลอดมันจะต้านมาอยู่ที่นี่เสียเวลาเสียเวลาชีวิตนะ ไม่ใช่ตายฟรีนะเดี๋ยวตายเปล่าด้วยชีวิตเราทำเล่นไม่ได้นะทุกๆนาทีมีความหมายเด็กๆ เ, เหล่านี้เขาคือใครเขาคือใครพราะกูบอกตรงๆนะเด็กโตมีแค่สิบสี่สิบห้าคนเนี่ยพวกะกูยังจำชื่อได้อยู่ไอเด็ ก, เ, ดกเล็กๆนะ่ะ ยังจําไม่ได้หมดเลยนะแต่จําหน้าได้หมดไม่เป็นไรเจออะไรพอ ก, กูก็รักหมดทุกคนทําไมต้องรักเขาละ่ะเขาไม่ใช่ลูกหลานเรานะเขายิ่งกว่าลูกหลานเราอีกเขาเป็นญาติเราเนี่ยยิ่งกว่าญาติญาติที่ออกจากท้องแม่เดียวกันอันนั้นเป็นญาติที่สมมุตินะเป็นพี่เป็นน้องนี่สมมติอันนี้ออกมาก่อนก็เป็นพี่น้องแล้วก็มันแย่งกันตีกันฆ่ากันแย่งมรดกกัน พกเราเป็นญาติธรรมเป็นกัลยาณมิตรเป็นญาติกันมาหลายภพหลายชาติแล้วและเกิดในเมืองไทยเขาแบ่งเป็นโซนอันนี้ประเทศไทยประเทศลาวประเทศแคนเบียนประเทศอเมริกามันแยกบริหารแบบประเทศอ้าถ้าย่อลงมาเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันไงเห็นไหมพระพุทธองค์บอกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อย่าไปสร้างศาสนานี่มาแข่งกันนะยั่งมนทนกันมันไล้สาระมาอันนี้ฉันช่วยเพราะว่าเป็นลูกหลานฉันฉันดีใจลูกหลานคนอื่นไม่ใช่เรื่องของฉันเอาก็ไม่เป็นไรไม่ได้ผิดกฎหมายนะนะแต่คุณผิดพลาดในการใช้โอกาสนี้เนี่ยสร้างบา ร, รมีให้กับตัวเองนะ ไอ้ที่บอกว่าอยู่นี่อาจจะตายฟรีตายฟรีแน่ๆเพราะเราอยู่แล้วเราไม่ได้หาเงินเราไม่มีพวกกระซั์เลยฟรีแน่ๆเด็ดขาดเลยแต่ถ้าคิดแบบนั้นได้อยู่ข้างนอกนี่อาจจะตายเปล่าก็ได้ตายแล้วไม่ได้อะไรเลยขาดทุนชีวิตด้วยดีไม่ดีไม่ได้เกิดมาเป็นมาคนอีกนะไม่ได้เกิดเป็นเทวดาอีกเกิดไปเป็นเปตอสุรกายนะนั่นคือตายเปล่าเราไม่ฉวยโอกาสที่เราเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยนะมาสร้างอาลัยทรัพย์ให้กับตัวเอง อันนั้นยังไม่ตายเปล่าเห็นไหมเด็กๆ เ, เขายิ่งใหญ่มากพราะคูเคยส่งรุ่นแรกของเราเนี่ยน้องขีน้องออคูปุย้ยคูเอียงไปบวชชีอยู่วิทยาลัยแห่งหนึ่งเด็กสมัยนี้เนี่ยเรียกให้เขาบวชเด้เหมือนง่ายไหม ให้กำลังสวยกำลังงามกำลังสนุกเขาอุตส่าห์บวชให้เราล่ะที่นู่นเขาว่าอย่างไรใครบวชชีเสียค่าเทอมขึ้นหนึ่งถ้าใครไม่บวชปุ๊บนี่เสียเต็มเลยนี่ชีเขาเจาะตังค์มาตั้งไัไปเทอมปุ๊บก็ออกไปหาตังค์สุดท้ายก็ศึกหมด ไม่มีเมตตาไงเขาอุทษาบวชให้เราแล้วเนี่ยเงินบริจาคเงินพุทธเจ้าเต็มไปหมดเลยมันก็เอาไปทําอะไรก็ไม่รู้อันนี้คือไม่มีเมตตาไงแล้วศาสนามันจะไปทางไหนแต่ไม่ใช่ศูนย์บาลานข่อยนะบาลาน่อยไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีเรื่องพวกนี้นะแค่เขาบวชให้เราเนี่ยสุดยอดละต้องช่วยกันประคบประหมมช่วยกันดูแลท่านในแง่ประเทศชาติเขาคืออนาคตของชาติ อย่าจะไปเอาคนเก่งๆมันมาโกงชาติอย่าเอาคนเก่งๆมันเอาเปรียบคนในชาติสร้างคนที่มีคุณธรรมคนดีๆเขาจะเป็นคนสร้างชาติที่ดีแล้วไม่มีสมมึกนะแล้วคิดแต่เรื่องของเราเรื่องฉันได้อะไรฉันเสียอะไรเนี่ยสำหรับพครูแล้วถือว่าไร้สาระมากตายเปล่าเสียเวลาชีวิตนะก็ถือว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่ ถ้าไปคิดเอากล้าคิดหรือมันจะมีแบบนี้ไม่มีไม่มีทางนะก็มีโอกาสแล้วลูกหลานเราบวชให้เราแล้วต้องช่วยกันดูแลนะไม่ได้ดูแลเหมือนลูกหลานเราเฉยๆนะถ้าดูแลแบบเราเขาดูแลลูกหลานเขาเนี่ยไรสาระมีแต่เอาใจมันในทางที่ไม่ดีนะดูแลความปลอดภัยเขานะทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์เขาต้องดี เตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตมาสร้างสังคมสร้างประเทศชาติสร้างโลกตอนนี้นี่วิชาการเยอะมากด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกและโลกบันนี้เป็นยังไงทะลอะกันหมดตอนนี้สังคมโลกมนุษย์เนี่ยขาดผู้นำทางจิตวิญญาณเราต้องช่วยกันสร้างเบรกเบรกความขยนะของโลกนี้บ้าง ต่างคนต่างเก่งเก่งทาลายนะเป็นสังคมซึ่งไล้สะไนั่นแล้วก็เห็นแล้วไงตอนนี้เจอทางตันแล้วนะก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพ่อกกูก็ได้คลิปใหม่มีรายงานว่าก็เปิดให้พวกวกว่อกูดูมีชาวเมกันคนหนึ่งผิวดำนะเป็นคลิปสั้นๆน่าจะเป็นนักเรียนมหาวิเลยอยู่บนคอร์ทเฮาส์ก็คือว่าอยู่ในศาล เขาก็ยกตู้ปลามาทีนี้ลูกขุนก็นั่งอยู่พวกโปรเฟสเซอร์นักวิชาการเด็กนักเรียนเนี่ยนั่งแบบนี้ลูกนั่งอยู่ในศาลไอคนนี้มันฟ้องศาลเหมือนมันฟ้องกระทรวงศึกษานะว่าสอนให้คนโง่มันยกตัวอย่างว่าตอนนี้เนี่ยการศึกษาสอนให้ปลาเนี่ยมันปีนเขาปีนขึ้นแล้วก็ปีนลงปีนขึ้นปีนลง พอครูเติมไปดุกมันสอนเต่าให้บินได้เด็กทุกคนเนี่ยถ้าในทางศาสนาว่าเรามีจริตไม่เหมือนกันใช่ไหมการปฏิบัติธรรมการฝึกจิตมันก็เอาแพ็กเกจเดียวนี่สอนให้ทุกคนเหมือนกันในวทศาสนาเราก็ทําเหมือนกันทุกคนเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันหมดเลยนี่อันนี้สมุนไพรอารมณ์เขาเป็นเตา่าเราสอนให้เต่ามันบิน เราสอนให้ปามันไปปีนเขาอย่างนี้ตอนนี้การศึกษาเป็นแบบนี้โ <Yeah. S 1> ม่เอเป็นทั้งโลกเราไปยัดเยียดความรู้ให้มั น, นโดยที่ไม่รู้ว่าเนี่ยเขาเหมาะอะไรความรู้เรื่องเล็กสรุปกูเรื่องเล็กเราต้องมอบเครื่องมือในการดํารงชีวิตให้เขาก่อนก็คือศีลสมาธิปัญญาเมื่อเขามีตรงนี้เนี่ยเขาต้องการเรียนรู้อะไรเนี่ย ตัวอย่างนะสมัยก่อนเราไม่มีเครื่องคิดเลขเรามีดูกคิดตักตักตักตักตักตักกัเห็นไหมท่ อ, องจำคิดในใจอะไรเนี่ยตอนนี้มันกดกดกดกดเห็นไหมโวกมันเปลี่ยนการไปโรงเรียนยังไปอ่านหนังสือท่ อ, องจำอยู่ตรงนั้นแหละทำไมท่องจำละ่ะไอ้คอมพิว เ, เตอร์มันจำให้เราเรียบร้อยแล้ว เอาเวลาที่จะมาจำเนี่ยไปหาข้อมูลอะไรเยอะแยะและการฉลาดใช้เนี่ยข้อมูลเนี่ยมาทำเป็นทฤษฎีใหม่ของเรานี่คือการศึกษาเต่าล้านปีแล้วมันอนุรักษมันไม่ยอมเปลี่ยนไงพวกผู้รู้เนี่ยนี่นักวิชาการนี่ตัวดีถ้าเราเปลี่ยนแนวพุกเนี่ ย, เ, ยเขาเนี่ยเรียนมาตลอดชีวิตนี้เขาเป็นคนเสียเปรียบความรู้ของเขาเลยไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยมันไม่ยอมเปลี่ยน เพว่าเด็กหนุ่มคนนี้มันใส่แรงมากก็พูดมาจริงหมดพ ว, วพวกว่านีพวกคูเนี่ยพูดมาทั้งหลายปีไปแบบก็มันเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยโลกนี้มันเจริญแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเทคโนโลยี่งเขาเจริญมากแล้วแต่เด็กอนุบาลปฐมเนี่ไม่ได้มีไม่ต้องใช้ไม่ต้องใชยยงยง้ยังไม่ยังไม่ใช้เขาบอกเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเล็กเขาบอกพ่อให้มันมีความรับผิดชอบรู้จักรับผิดชอบตัวเองกับสังคมก่อนเห็นไหม เพราะว่าไอความรู้เหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวพวกนี้มันก็เปลี่ยนใหม่แล้วพวกนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยคุณจะไปท่องจําความรู้นี้ทําไมโลกมันเปลี่ยนขนาดเขาเร็วขนาดนั้นเขายังช้าเลยนะบริษัทโกดักเนี่ยถ้านในแง่เรื่องฟีเรื่องต้องเนี่อันดับหนึ่งของโลกมันยังเก่งเลยเห็นไหมไม่ใช่เขาไม่รู้นะมันจะเปลี่ยนใหม่นะแต่ทีนี้ไอโครงสร้างมันบริหารทั่วโลกเนี่ยมันอืดอาดไง มันเปลี่ยนไม่ทันมันก็เลยเจงแล้วยังการศึกษายังเป็นแบบนี้อยู่แล้วลูกหลานเรามันจะไปอยู่กับสังคมยังไงไปเรียนท่องจำอ่าพุทธประวัติหรือประวัติศาสตร์เออปีนั้นปีนี้อ่าคนนี้ไปฆ่าคนนั้นคนนี้ไปฆ่าคนนี้แล้วไปท่องจําแล้วก็ไปสอบถามว่าชีวิตเราได้อะไรพวกครูชี้ให้ดูนะมันล้มเหลว แล้วไม่ใช่ประเทศเราอเมริกาก็ยังเถียง เ, เรื่องนี้อยู่เด็กหุ่มมันฟ้องรัฐบาลนะไปบังคับให้มันไปทาไปเรียนรู้อะไรก็ไม่รู้ที่ไร้สาระไม่เกี่ยวกับชีวิตสมัยใหม่นี้เลยถามว่าสมัยใหม่นี้ดีไหมมันไม่ใช่ดีหรือไม่ดีแต่ว่าเราหนีมันได้ไหมไม่ได้ไงถ้าเรากยังเล่นเกมนีอยู่แต่พวกคูหนีมันได้พวกครูหนีมาอยู่ในป่านี่ไง ไม่ต้องไปตามมันแต่ที่นี่ลูกหลานเราทําอย่างนี้ได้ไหมเขาก็ต้องไปอยู่กับสังคมข้างนอกเราต้องเตรียมอะไรให้เขาบ้างไม่ใช่ที่นีไม่เก่งไม่เก่งตอนนี้ให้การบ้านรู้เปล่าเด็กกรุงเทพทำยังไงหวานหมูมันไม่ต้องทําเองด้วยมีคนรับจ้างทําการบ้านให้มันมันกดมันถามใครรู้ไหมมันถามมากูอะกูแต่ให้หมดเลย แล้วทำไมต้องมีการบ้านแบบนั้นไ ล, สะละ่สาระสอนให้เขาฝ่ายเรียนรู้แลบผิดชอบตัวเองกับสังคมถ้าเขาจำเป็นรู้อะไรเนี่ยเขามีที่ปรึกษานะเขาถามอากูปุ๊บอากูบอกเลยกูโก้ใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่มีคนรับผิดชอบนะ่ะมันถามอากูมันก็ไม่ถามด้วยมันเบื่อ เก่งแค่ไหนก็ช่างคุณเก่งแค่นี้ความรู้เก่งแค่นี้แต่ความรู้ใหม่มันมาตั้งนานแล้วเนี่ยความเก่งของคุณเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมทุกวันนี้ไม่ใช่ไปปลูกสำนึกเขาโดยการสั่งการช้ายหันขวาหันตรงไปตรงไปไปเจอต้นไม้กูก็ซือ้อดันอยู่ตรงนั้นแหละไม่มีไ้ทีิปฏิพันธ์นะ ตอนนี้ต้องปลูกสำนึกไม่ใช่ปลูกสำนึกปลูกสำนึกเดิมเขาตื่นขึ้นทุกคนมีจิตสำนึกอยู่แล้วที่เมื่อกี้พวกครูบอกเครื่องมือที่ทาให้เขารู้ว่าต่อไปในชีวิตเขาเนี่ยความพอดีอยู่ตรงไหนนะเครื่องมือตรงนี้คือสินสมาธิปัญญาแล้วต้องเรียนไหมไม่ไม่ใช่ไปท่องจำสินห้าสินแปสิน 40, สิบิปฏิโมกไร้สาระอันนี้เป็นแค่องความรู้ว่าศินมีกี่ข้อ ศีลที่จริงๆอยู่ข้างในมันมีอยู่แล้วเราต้องปลุกให้มันตื่นขึ้นสมาธิเขามีอยู่แล้วปลุกมันตื่นขึ้นให้มันทำหน้าที่ปัญญามันมีอยู่แล้วปลุกแล้วทีนี้วิธีปลุกยากไหมไม่ยากตอนนี้กูโก้บอกไม่ได้นะพระพุทธเจ้าบอกเราแล้วไงวิธีเครื่องมือจะทำไหมเงินคือมหาสติปัฏฐานไงนี่คือเครื่องมือปลุกมันขึ้นมา บุกสินสี่ปีเพราะครูวิ่งไปตามโลกสินห้าบอกไม่ให้ทำไรทำหมดนะทำหมดไม่มีสินแบบนั้นย8ปีมาอยู่ในป่านี้เนี่ยไม่ต้องถือสินอีกพูดดังๆเลยก็จริงๆไยถือให้มันหนักทำไมแต่ไม่ทำชั่วแน่นอนมันปลุกสินเดิมความขึ้นมาแล้วไง สิ่งคือความปกติของจิตทุกคนมีอยู่แล้วปลูกมันขึ้นมาใช้นั่นแหละโลกเปลี่ยนไงกระช่างมันจะรู้เท่าทันโลกมันจะรู้ว่าอันนี้มีประโยชน์เอามาใช้ไม่ใช่พ่าคูไม่ใช้นะข้อมูลเนี่ยแก้วหาข้อมูลให้พรอ ก, กูปุ๊บหาเดี๋ยวก็ข้อมูลมาพวกคูเป็นคนตัดสินใจแต่ไม่ใช่ไปท่องจาข้อมูลท่องจำร้อยข้อมันออกใหม่ใหม่พันข้อจะจาไปทาไม มันล้มเหลวที่มันล้มเหลวเนี่ยไม่ใช่มันไม่รู้นะมันมีเจตนาให้มันล้มเหลวมันต้องการให้คนโง่ไม่งั้นมันสั่งเราซ้ายหันขวาหันไม่ได้ไม่สบายหาใครไม่ชีโบถ้าไม่สบายปึหาใครหาหมอไม่สบายหาหมอถ้าไม่หาหมอมันขายยาได้ไหม หมอนี่เป็นเซลเมนที่ซื่อสัตย์บริษัทยาไม่ต้องจ้างด้วยเห็นไหมโรคความดันโรคเบาหวานมันรักษาไหมมันรักษามันเก่งมากมันรักษาให้โรคเบาหวานกับความดันอยู่กับเราตลอดชีวิตมันไม่ได้รักษาให้มันหายจากเรานะถ้าไม่กินยามุ๊บก็ขึ้นอีก มันรักษาโรคเบาหวานความดันให้เราอยู่กับเราตลอดชีวิตเราจะได้เป็นทาสบริวารเป็นผู้บริโภคซื้ายามันไงพอครูถึงส่งเด็กลูกไปเรียนแพทย์แผนไทยให้พ่อครูไปเรียนนะไอ้พวกนี้มันคองโลกวิชาการต่างๆเป็นแค่เครื่องมือของเขาเท่านั้นเองนะอนี้พวกกว้างๆนะเพราะ โรงเรียนเราเนี่ยงานหลักอย่างหนึ่งคือเรามีโรงเรียนแต่ที่นี่ง่ายไหมไม่ง่ายที่พ่อครูพูดก็ได้แต่พูดแหละพ่อครูทําได้อย่างยั่งพ่อคุณครูเนี่ยเขาไม่ทํากับพ่อครูเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเข้าค่ายเขาแค่เข้าค่ายฟังปุ๊บมันเข้าใจไม่เข้าจิตออกไปปุ๊บมันก็ทําเหมือนเก่าเพราะเขาเรียนมาอย่างนั้นไงถ้าไม่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยเดีเขาจะไม่กล้าคิดนอกกรอบเอาล่ะไม่เป็นไร พ่อครูพูดมาหลายปีแล้วนะนะพ่อครูทำของพ่อครูนี่เนี่ยพวกเราอยู่ในห้องแลบพ่อครูมาบวลูกเรียนจะเอา ก, กูไม่ต้องไปโรงเรียนคุณครูอยากสอบมาเอามาสอบที่นี่พ่อครูกำลังทำอยู่ต่อไปนักเรียนไม่ต้องไปโรงเรียนไลาสารละถ้าโรงเรียนไม่ปรับตัวนะเดี๋ยวทุกโรงเรียนเก้งหมด ต่อไปต้องไปโรงเรียนเนี่ยเป็นแค่โรงฝึกงานไปภาคปฏิบัติไอ้ที่ไปเรียนข้อมูลเหล่านี้ไม่ต้องไปกดเฉยๆก็รู้แล้วคุณให้การบ้านมาเนี่ยมันต้องเป็นคำนวณไหมมันปกดถามมากูคุ้มกับคำนวณให้เรียบร้อยแล้วไงไรสาระเด็กเสียเวลาชีวิตเอาเวลานี้มาบ่มเพาะมาปลูกสํานึกเขาตื่นขึ้น ให้ศีลสมาธิปัญญาเข้ามาทํางานตอนนั้นแหละเขารู้ว่าเวลาที่เหลือของชีวิตเขาเนี่ยน่าจะเป็นแบบไหนเอาเต่าเอาปลามาเรียนวิชาไอ้ที่มันไม่เกี่ยวกับชีวิตมันเรียนแม้กระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยบางทีเรียนจบแล้วว่าให้ก hey, ลุ่มไม่ชอบเขาไม่เคยรู้เลยว่าเขาชอบอะไรแล้วเขาไม่มีสิทธิ์คิดด้วย อนุบานจะถึงมัธยมปลายมันต้องเรียนเจ็ดแปดบทวิชาเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนนะงไปหมดเลยนะไม่รู้เรียนไปทําไมนี่คือความล้มเหลวนะแล้วก็มันแก้ได้ไหมยากมากพราผู้มนะีอำนาจในวงการนั้นนั้นเขาไม่ยอมเปลี่ยนถ้าเขาเล่นเกมอย่างอื่นเนี่ยเขาเป็นเบี้ยล่างเราไม่พึ่งตนเองเนี่ยเราเป็นเหยื่อของสังคม นะอันนี้ก็ถือโอกาสพูดกัน uh. เนี่ยพ่อครูคุยกับไม่ชีมัธยมเมื่อเช้านี่บอกลูกพวกเราท่านในแง่ปิดเทอมนะเขาปิดตั้งแต่วันที่สามสิบใช่ไหมเขาปิดให้เราเดือนหนึ่งแต่เราต้องอยู่จนถึงวันที่สิบแปดเนี่ยพวกเราขาดทุนขาดทุนปิดเทอมไปสิบแปดวันบังเอิญเมื่อเช้าพูดปุ๊บ พ ก, ก็ก็ระลึกถึงในหลวงเราพระวงบอกขาดทุนคือกำไร our loss is our gain มันคืออะไรเห็นขาดทุนไปสิบแปดวันแต่ในแง่ชีวิตเรากำไรมหาศาลแทนที่เอาสิบปวันเนี่ยไปซิ่งไปใช้เงินแม่ฮะแล้วทำให้กิเลสมันพองโตฮะแต่สิบปดวันเนี่ยเอาออกเอาออกเอาออก ได้อริยทรัพย์นี่คือขาดทุนคือกำไรก็ถามเด็กๆว่ า, เ, าเราเรียนเกือบตายรอวิชาเรียนปุ๊บเราไปทำงานเงื่อไหลไข ย, ย, ย้อยได้เงินมาแต่เราเป็นคนมีใจกุศลแล้วก็วิ่งไปทำบุญทำบุญสร้างวัดเวลาทำบุญนี่เราได้เงินไม่เราเสียเงินเราเสียเงินเราขาดทุนไงเพราะราคาทุนคือกำไร เราบุญเยอะมากนะเกิดมาเป็นคนไทยมาพบในหลวงองค์ปัจจุบันนะพระองค์เป็นพระซึ่งเป็นอริยะโดยแท้เป็นอมตะละคำนะเศรษฐกิจพอเพียงก็ดีขาดทุนคือกำไรก็ดีไอ้ฝรั่งมันงงไปถามท่านให้พระองค์อธิบายหน่อยหนึ่งขาดทุนมันจะกำไรได้ยังไงเพราะมันไม่รู้หรอก ดักทำให้ฉันไดอะไรฉันไดอะไรได้รูปประธรรมแต่มันปฏิเสธนามมาทําไงนี่คือขาดทุนคือกําไรเหรอเห็นไหมเราไม่ต้องไปหาเงินยากลรกหาเงินแล้วก็เอาเงินนี้ไปทําบุญเราเวลาเราเนี่ยสิบแปดวันเนี่ยทําบุญมหาศาลเลยแล้วไม่รู้หรอกสิบแปวันก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรนะี่ยคือกําไรแล้วนะแต่ถ้าสิบแปดวันออกไปขี่มอไซค์สิ้นขาหักนะ่ยเห็นไหมมันดีไหม คุณจะไปรู้เหรออยู่ข้างนอกคุณเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตานะแต่ทุกวันนี้ไม่หรอกอย่าว่าแต่ไม่เห็นลงศพเลยมันเห็นศพเนี่ยซีนํามีตตายเป็นแสนๆเลยมันก็ไม่เห็นเห็นศพเลยหล่บมันก็ไม่เห็นไงเก็บศพเอาไปเผาหรือบ้านเก่าทิ้งสร้างใหม่สวยกว่าเก่าก็อยู่ที่เก่านั่นแหละพอเขาส่งสัญญาณซีนอมีเนี่ยกูก็ะทู้นอนไม่หลับ แต่ชาวเขามันไม่ง้ออยา่างนั้นนะมันเดีไปอยู่บนเขาอะนอนสบายไม่ต้องกังวลเลยคนทุกวันนี้ไม่ใช่ไม่เห็นหลงศพไม่หลังน้ำตานะมันเห็นศพเลยมันก็ไม่หลังน้ำตาไงเห็นแต่ไม่เห็นสู้ความอยากไม่ได้นะพวกเราบุญเยอะแล้วลูกวัยขนาดนี leave, really ้มีโอกาสมาสัมผัสสิ่งนี้นะพอครูเองยังต้องถอสังขารหลงทางไปสี่สิบปี กว่าจะเจอคําสอนสุดยอดของพระพุทธเจ้านะพวกเราไวขนาดนี้เจอแล้วเป็นบุญกุศลใครพูดยังไงก็ช่างสักดิ์เดวได้ยินนะอย่าไปฟังคําพูดคนโง่นะเขาโง่ทำให้ตัวเองทุกข์ไม่พอเขากลัวว่าเราจะไม่ทุกข์เหมือนเขานะฟังพระพุทธเจ้าลูกอดเปรี้ยวกินหวานอดเปรี้ยวกินหวาน มะม่วงดามดอกไม้มันยังไม่สุกนี่กินแล้วมันเปรี้ยวมากไม่อร่อยมันไม่ใช่มะม่วงมันนะกินตอนที่มันสุกแล้วเนี่ยหวานอร่อยเราอยู่ในวัยที่ยังไม่พร้อมที่จะไปทําเรื่องไร้สาระเราอยู่ในวัยที่กำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราเองภูมิคุ้มกันนี้เนี่ยไม่ชีพี่เลี้ยงเลยทุกคนต้องเข้าใจนะเครื่องมือสามอย่างศีล ส, สมาธิปัญญา ศนะีลทึ่เป็นตัวหนังสือนั้นเป็นเบื้องต้นนะมันไม่ใช่ศีลแท้แต่เรียนรู้ไปเราต้องทําให้ศีลที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวเด็กนั้นตื่นขึ้นมานั่นหละคือจิตสำนึกจิตสำนึกเขามีศีลสมาธิปัญญาอยู่แล้วปลวกเขาตื่นขึ้นมาแล้วต่อไปโลกมันจะเปลี่ยนยังไงก็ช่างเนี่ยเขาจะรู้เอาตัวรอดเขาจะรู้เท่าทันโลก ไม่ใช่ไปตามมันทุกเรื่องนะเขามีปัญญาพอเขาศึกษาอะไรเขามีสมาธิตั้งมัน่นเรียนรู้แล้วทุกวันนี้การเรียนรู้มันหมดสมัยแล้วอ่านหนังสืออ่านหนังสือนะความรู้ในโบราณมันบันทึกอยู่ในหนังสือตอนนี้ไม่ต้องไปจํมันมีมันมีเครื่องมือจําให้เราอยู่แล้วนะเราต้องมีปัญญาเราจะใช้เครื่องมืออะไรเนี่ย พรากูยังไม่ต้องใช้เลยนะไม่ต้องใช้แต่เพราะกูมีคนใช้แทนพกูไงเห็นไหมคนเก่งไม่ใช่กูต้องรู้ทุกเรื่องไม่ใช่รู้ว่าจะเอาความรู้มาจากไหนนะก็ก็พูดหลายครั้งละเ ร, เร็วนี้เนี่ยมีคนจีนผู้หญิงคนหนึ่งเขียนหนังสือเรื่องหนึ่งออกมาฮาวตา์ ฮาวาดัดหลิงเฉินซื่อเตี่ยนปั้นภาษาจีนกลางนะแปลเป็นไทยว่าฮาวาดัาวเดเช้ามืดตีสีึ่นนะทาไมถึงจะงี้ตีสี่ครึ่งเปิดสว่างหมดในโรงเรียนนะ่ะเขามีห้องสมุดเขาร้อเป็นร้อเป็นร้อยห้องสมุดนักเรียนเต็มหมดตั้งแต่ตีสีึ่งมันอา่านหนังสือตั้งแต่ตีสีึ่ง ดึกดื ด, ด, ดก็ไม่นอนบางคนนั่งอ่านอยู่ตรงทางเดิมมันก็นอนหลับอยู่ตอนนั้นแหละกลายเป็นธรรมดาเขาเข้าไปในโรงอาหารเขาตอนเที่ยงนะเงียบไปหมดเลยนะไม่ใช่มันตั้งใจกินข้าวนะมือนี้ก็จับแซนด์วิชกัดตาก็มองก็อ่านหนังสือไม่ให้มันเก่งรู้ไปแล้วเขาสรุปแล้วว่าฮาวาดเดัเน่ไม่ใช่อัจฉริยะแค่มันขยันกว่าคนอื่นเท่านั้นเอง บิลเกตก็เรียนที่นี่มันเรียนถึงปีสองครึ่งหนึ่งมันบอกบายบายหลายห ล, ายลายสาละถ้าบิลเกตมันเรียนจบที่นี่มันต่อที่นี่ในโลกนี้ไม่มีคนชื่อบิลเกตมันจะไม่สมเร็จมันจะถูกตีกล่อง in t h e box สตีฟจอบก็คนหนึ่งเรียนมหาวิทยาลัยปีเดียวบายบายคุณไม่เอาละเขามีอจิยภาพอยู่ในตัวของอยู่แล้ว เขาฝึกเซนตั้งแต่เด็กๆพวกเราอย่าไปเห่อตามมันนะลูกเอาปัญญาเราตื่นขึ้นส่วนเราจําเป็นต้องไปเรียนรู้อะไรเนี่ยก็เรียนรู้เท่าทันมันไม่ใช่ไปตามมันนะเราโชคดีแล้วลูกนะตอนนี้การศึกษามันให้เราไปจําแต่ความรู้คนอื่นคนเก่งๆทุกวันนี้แค่มันอ่านหนังสือมากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองจํามากกว่าคนอื่นไม่ใช่ความรู้ของเขาเองไม่แต่หนึ่งความรู้ นะไม่กล้าคิดของใหม่ๆนะถ้าพวกเรามีศีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยถ้าเราจำเป็นต้องเล่นเกมแข่งขันเสรีทุนนิยมแบบนี้นะเราจะไม่ชคนเหอใช้รุ่นใหม่เราจะเป็นคนสร้างรุ่นใหม่จําไว้ถ้าจําเป็นต้องเล่นเกมมี้ต้องเป็นผู้สร้างไม่ใช่ผู้ใช้เป็นแค่ธาตหาเงินไปให้มันรวยขึ้นอย่างโง่นะ เราเป็นลูกหลานพทธเจ้าโง่ไม่ได้ตอนนี้โลกมันหันกลับมาหาเราหมดแล้วล่ะนั่นแหละเมื่อกี้พระคูก็พูดว่าทางสายกลางอ่ะมันอยู่ตรงไหนมันไม่มีสูตรสมบูรเพราะโลกมันเปลี่ยนตลอดเวลาสิ่งที่เราทำได้เนี่ยเราต้องมีเครื่องมือสามอย่างคือศีลสมาธิปัญญาหลายคนนะจบวิศวะมาจบจบอาร์เิเท็เจอร์มา ไม่เห็นบอกคูสร้างไงโดมสุริยันจันทาทําได้ยังไงทําได้ยังไงทาไมทําไม่ได้อะตำรวจก็ไม่จับซะหน่อยหนึ่งเขากล้าสร้างไหมอุย๊ยกลัวไปหมดเลยไม่ถูกหลักวิชาการแล้วมันจะได้กล้าสร้างของใหม่หรือเปล่าล่ะนั่นแหละมันปิดบืงความรู้ไม่กล้าคิดนอกกรอบนะความรู้เราไม่ปฏิเสธเป็นแค่ข้อมูลนะบางอย่างที่เราเอามา ปรับใช้มันไม่ใช่พระเจ้าถ้าเรามีปัญญาสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราสามารถปรับความรู้เหล่านั้นมนมาเป็นองค์ความรู้ใหม่ของเราทีนี้เราก็วกกลับมาถึงการปฏิบัติธรรมเหมือนกันเห็นไหมไปไหนไปปฏิบัติธรรมตามไปดูปุ๊บก็ไปฝึกสติฝึกสมาธิหลายคนถามพระครูว่าเอ๊ะพระครูลัทธิอะไรนะเป็นแรงเป็นกาเวียงไปเวียงมา ตีลังกาไปตีธักรรมาลัทธิอะไรถามว่าลัทธิคืออะไรลัทธิคือทุกคนต้องคิดเหมือนกันทําเหมือนกันใช้ชีวิตเหมือนกันดีไม่ดีแต่งชุดเหมือนกันด้วยนั่นแหละลัทธินี้กายและคนที่ถามบะคูลน์เขาทํางานอยู่กับบริษัทสายการบินใหญ่อันนั้นลัทธิอะไรลัทธิทุนนิยมทําไมชอบจังคนที่มีลัทธิจะกลัวลัทธิอื่นมาก เพาะคุไม่มีลทัทธิไม่เหมือนกันจักคนเลยเนี่ยคนนี้กินมือหนึ่งคนนี้กินสองมือคนนี้สา ม, มือคนนี้แต่งสีโน่นสีนี่ไม่เหมือนกันจักคนหนึ่งจะลัที่ได้ยังไงเวลาเบี่ยงคนนี้ตีลังกาไปทางซ้ายคนนี้ตีไปทางขวาที่เขาบอกว่าเอ๊ะอุปทานหมู่หรือเปล่าเอาอีกแล้ว อุปทานหมู่คือว่ามันเป็นเหมือนกันหมดพราะคือไปสอนนักเรียนอีเทคเนะพิจารัยอีเทคที่ชนบุรีนะ่ะนักเรียนเขาหมื่นกว่าคนอยู่ในวัยกําลังห้าวเลยล่ะนะพอแก๊งก็ไม่เบี่ยงเลยนะมันเป็นหนุมานหมดเลยเพ้นไปสลักหักสักหนุมานไงมันสัมันมันฝังอุปทานมาเห็นเพื่อนขึ้นกูก็ขึ้นด้วยนั่นแหละอุปทานหมู่เห็นไหมแล้วสุดท้ายไปยังไงไหม ฮนุมานถูกเหวี่ยงทิ้งหมดเลยตายหมดฮันุมานนะ่ยมันสู้จิตได้บอกนั่นแหะอุปทานหมูเรากำลังเหวี่ยงอุปทานเก่าเราออกอยู่ทีนี้อุปทานของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไงเนียเอาสายตาเฉยๆแล้วคาดคะเนอะไรเนะี่ยเป็นอย่างนี้นะ่ะนี่คือคนยุคนี้เป็นแบบนี้เนะี่ยอยากรู้ก็ไม่มาลองทําก่อนนะมันไม่ใช่อุอปทานโมมันเป็นอุปทานของแต่ละคนเรากําลังเอามันออก อันนุมานขนุมาข น, นุมาเต็มห้องเลยเห็นไหมเหรอพรา ก, กูยังเร่งให้มันเหบี่ยงแรงๆเนยนะเอาเลยยูกเอาเลยเอาอะไรมึงแสดงหมดเลยเป็นดิงมึงตีลังกาหมดเลยแล้วจุดท้ายจิตมันเบี่ยงอนุมานออกไปหมดเลยเรากําลังเอาหุ่นเอาอุปทานออกไม่ใช่เกิดจากอุปทานที่เห็นคนอื่นทําแล้วก็ทําไปตามเขาทุกคนแล้วทุกวันนี้ไปนั่งจจเจริญสมาธิจเจริญสติเหมือนกันหมดเลยอันนั้นอุปทานหมู่ไหมนั่นแหละอุปทานหมู่ เหมือนกันระเบดนั่นอุประธานหมู่นั่นคือลัทธินิ่กายที่ศูนย์นี้ไม่มีมันเป็นนานาจิตตังนะปฏิบัติธรรมก็ไปทำตามแฟชั่นทำตามค่านิยมนะโอดีใจนะฉันได้ปฏิบัติธรรมฉันบริสุทธิ์สบวันส5บหวันปิดวาจาไม่ได้พูดคุยกับใครใครเลยเนี่ยอุย๊ยขังมาก พอกลับไปถึงบ้านต้องพูดแก้แค้นไม่ได้พูดมาสิห้าวันนั่นแหละอุปทานหมูแหละคุณมานั่งกดมันไว้คุณไม่ได้อุปทานคุณออกไปเลยเห็นหมกลับไปบ้า น, นมันก็ยังอยู่ไงไอ้นิสัยชอบบ่นนะนะยิ่งไม่ได้บ่นมาสิห้าวันมันก็บ่นมากกว่าเก่าอีกนั่นแหละอุปทานหมูทนะีนี้ไอตัวสุดท้ายนะ อคตินี้เกิดจากอะไรนะอคตินี้เกิดจากอะไรนะสั้นๆก็คือเกิดจากจิตไม่เป็นกลางตัดสินใจด้วยความชอบกับไม่ชอบตัดสินใจเพราะความกลัวตัดสินใจเพราะความหลงจิตไม่เป็นกลางเห็นหฉันชอบคนนี้โอเค ฉันไม่ชอบคนนี้โน no. อคติเกิดจากจิตไม่เป็นกลางนะความไม่เป็นกลางเกิดจากอะไรเกิดจากระบบพอกิเลสคือความเคยชินเรานะอะกิเลสก็ทําให้เกิดตัญหาอยากไงเอออยากชนะกลัวแพ้กลัวเนี่ยก็ตัดสินตามตามความกลัวไม่ได้ตัดสินตามความเป็นจริง เพราะจิตแล้วมาเป็นกลางนะเมื่อเรารู้แล้วเราเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องสำรวมระวังมากขึ้นนะบางกรณีเนี่ยนิ่งเฉยตำลึงทองนะนิ่งซะใช้ขันติใช้อุเบกขาแตนะ่ทีนี้มันไม่ยอมไงเพราะเรามีอคติอยู่แล้วเขาทำเขาวแล้วเราก็ชอบดำขัดแย้งกันตลอดเวลานะสร้างอัปตาขึ้นมานะยึดมัน่นถือมั่นในความคิดตัวเองใครบอกก็ไม่ฟัง เราคิดว่าเราเก่งเราจะไม่มีวันก้าวหน้านะแก้อย่างไรแก้อย่างไรทำกับงานนั้นต้องมีฉันทะฉันทะไม่ใช่ความชอบนะถ้าชอบนี่เป็นอคติมันจะมีความไม่ชอบฉันทะ มันเป็นหน้าที่ต้องพึงพอใจกับหน้าที่นะ้นไม่ใช่ชอบไม่ชอบไม่เกี่ยวกับชอบไม่ชอบเมื่อเราพึงพอใจปุ๊บเราจะมีวิริยะนะถ้าเราทำจากอคติทำจากความชอบพอเจออุปสรรคปุ๊บเนี่ยความชอบมันจะหายไปกลายเป็นความไม่ชอบจะอ้างโน่นอ้างนี่ร้อนนักก็มักอ้างว่าเย็นนักก็มักอ้างว่ามีจะขออ้างทั้งนั้นแหละต้องเปลี่ยนอารมณ์ จากชอบไปชอบกลายเป็นฉันทะมีความพึงพอใจกับสิ่งที่เราทํามีศรัทธาเห็นไหมฉันทะมันจะมีวิริยะจิตตะจิตตั้งมันเพราะเรามีฉันทะบางคนบอกเอ๊ะไม่ชอบจะทําทำไงทำเพราะทํามันเป็นหน้าที่ไงเมื่อเป็นหน้าที่ปุ๊บต้องมีฉันทะกับมันไม่เกี่ยวกับชอบไม่ชอบอารมณ์ชอบก็ทําไม่ชอบก็ทําเพราะเรามีความพึงพอใจ ถ้าไม่ใช้ตรงนี้เราจะสู้อคติเราไม่ได้มันจะมีอ้างเหตุผลทั้งนั้นแหละนะบางทีเรามองมุมเดียวของเราเอาเราเองเป็นมาตรฐานแต่บางทีคนอื่นเนี่ยเขาทําแล้วเขามองทั้งหมดเห็นไหมแต่ถ้ามีอะไรถ้าเราไม่มีอคติแล้วก็เปิดใจคุยกันอ๋อเออบางอย่างท่านคิดไม่ถึงไม่ใช่บางอย่างนะหลายๆอย่างเราก็คิดไม่ถึงเห็นไหม สถานการณ์แต่และคนไม่เหมือนกันยังเด็กอยู่ประจำในเมืองนั่นส่วนมากเสียเงินแพงๆ แ, แน่นอนต้องมีผู้ปกครองที่มีสตังค์เห็นไหมครอบครัวต้องอบอุ่นนั่นแหละโรงเรียนเขาจะให้มาเยี่ยมบ่อยๆนะเยี่ยมบ่อยๆเขาต้องการให้มีบทบาทให้มีความอบอุ่นจากพ่อแม่แต่ของเราที่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นเด็กๆหลายคน พ่อไปทางแม่ไปทางถ้าเราปล่อยให้ทําแบบนั้นน่ะแม่คนนี้มาบ่อยๆไอคนที่มันไม่มีนี่มันก็แอบเศร้าใจเห็นไหมมันไม่ใช่สู่สำเร็จว่าต้องทําอะไรเหมือนกันแล้วคนที่นี่ส่วนมากเขาต้องถาเช้ากินขํามแล้วเนี่ยบังคับเธอต้องมาบ่อยๆมาทุกวันนี้นะเขาก็ทิ้งหน้าที่การงานเขาก็ต้องมาความรักบุมันจะมาอยู่แล้วล่ะ คือปัญหาแต่ละท้องที่มันไม่เหมือนกันรงเรีในเมืองโอต้องมีส่วนร่วมส่วนร่วมนะนะแต่ที่นี่เนี่ยคนที่เขาส่วนร่วมเขาก็ทิ้งบันทิงเขาทำงานได้สองสามรอยบ้านเขาไม่ค่อยมีจะ ก, กินเนะี่ยก็ทิ้งงานมามีส่วนร่วมและชีวิตเขาดีขึ้นไหมน่ยมันไม่เหมือนกันนะเอาเป็นว่าอะไรก็ช่างถ้าเราไม่มีคติแล้วไม่มีเรื่อง เออพอมีอย่างนี้เราก็ถามว่าเออทำไมเป็นอย่างนี้คนนั้นก็ทําอย่างนี้เขาบอกพ่ออย่างนี้ถ้ายังโสดเออถามใหม่เป็นอย่างนี้ได้ไหมก็คุยกันไม่มีเรื่องแต่ตอนนี้มีเรื่องเพราะว่าทุกคนมีอคตินะเราทำอะไรด้วยอคติเราไม่ทำด้วยฉันทะด้วยความพึงพอใจนะการให้แบบบริสุทธิ์ไม่มีเงื่อนไข แต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนก็มีอยู่แล้วอคติมากน้อยเนี่ยถ้าเรามีศรัทธาร่วมกันเราหัวอกเดียวกันนะนะเราถึงถิง้งในความสนุกสนานสะุวกสบายข้างนอกเนี่ยมาเดินสายนีอย่างน้อยเรามีสิ่งที่เหมือนกันคือเราหัวอกเดียวกันส่วนจริตไม่เหมือนกันนั้นนะ่ะถ้อยทีถ้อยอาศัยใช้หลักเนี่ยถ้าทากับงานเนี่ยต้องใช้หลักอิทธิบาทสี ไอ้ตัวนี้จะให้เอาข้ามพ้นอคติได้อยู่กับคนเนี่ยต้องใช้หลักพรมิหารสีต้องมีเมตตาเยอะๆมีกรุณากันผิดก็ต้องให้อภัยไม่ใช่อุดมการติดถูกติดผิดจับถูกจับผิดกันอยู่นะไปติดดีหรอ่าวว่าคนอื่นเขาไม่ดีทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยทะเลาะ ก, กันมันดีไหมบางคนมาถามพวกครูนะ สีนี้ด่าสีนั้นสีนั้นด่าสีนี้นะแล้วพ่อคูว่าสีไหนมันมันมันถูกต้องทะเลาะกันคือผิดทะเลาะกันคือผิดใครถูกใครผิดกระช่างทะเลาะกันคือผิดคุณต้องหยุดทะเลาะกันก่อนมนุษย์คุยกันรู้เรื่องแต่อคติมันไม่ยอมไงต่างคนต่างนับผีพุทธเจ้าองค์เดียวกันต่างคนต่างอ้างอ่า ปฏิบัติเข้งขังมากแต่พอถึงภาคสนามแล้วกูให้อภัยไม่ได้ไม่มีเมตตาคือว่ากัดไม่ปล่อยเอาจนตายเลยแล้วแล้วคุณจะอ้างพุทธเจ้าได้อย่างไรพวกเราต้องไม่เป็นแบบนั้นนะถ้าพวกเราเป็นแบบนั้นนะ่ะพวกกูจะเป็นคนพิจารณาตัวเองพวกกูถอยมาจากเมืองนอกได้พวกกูจะถอยเข้าไปในป่าได้เลยนะก็เราเก่งไงเราถึงทุกข์ไง เรายิ่งใหญ่ไงเราถึงได้มาเกิดอีกไงดูดยิ่งใหญ่ได้แล้วดูดเก่งนะลดลาเลิกนะใครให้คนนั้นก็ได้เราไงใครให้อภัยก่อนคนนั้นก็ได้ไงนะบาทีเรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยนะสักแต่ว่าเห็นข้ามก้นมันได้ปุ๊บมันก็ลืมแล้วไงแต่ถ้าเราเมีคติปุ๊บไม่ไม่ยอม ฉันถูกเธอผิดอยู่อย่างนี้นะแล้วเกิดขัดแย้งกันขึ้นถามว่าใครถูกใครผิดก็ช่างถ้าเกิดขัดแยง้งคือทะเลาะ ก, กันนี่คือความไม่ถูกต้องง่ายคือถูกต้องอยู่กันแบบง่ายๆนะถ้อยทีถ้อยอาศัยต้องใช้หลักพรมวิหารมากๆนะ ทุกคนต้องฝึกเราถอยมาเรากำลังฝึกอยู่ไม่ใช่ถอยมาศูนย์ปุ๊บทุกคนเป็นอรหันต์หมดเป็นหมูหันไปบางพางก่อนเนาะเดินต่อไปถ้าไม่เลือกเดินเนี่ยมันต้องถึงแน่แน่สักวันหนึ่งมันจะถึงเมื่อไหร่ช่างมันนะก็นั่นแหละอากติต้องระวัง วิธีแก้อคติไม่ใช่ไปคิดเอาเองเออช่างมันเถิดนะเออพราะกูบอกให้อภัยน่ยมันเข้าใจไม่เข้าจิตมันก็แก้เหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ท่านเองสุดท้ายมันก็คือเก่าเพราะมันมีอารมณ์ตรงนั้นอยู่เห็นไหมมันยังยึดมั่นถือมั่นชอบกูก็ชอบกัดไม่ปล่อยเหมือนกันไม่ชอบก็ไม่ชอบก็กัดไม่ปล่อยเหมือนกันกลัวก็กลัวกลัวเสียเปียบเห็นไหมกลัวเสียเชิงกลัวเสียศักดิ์ศรี ก็เกอจูนนั้นแหละไอตัวหลงนี่สาคัญที่สุดพวกนี้มันไม่ใช่เหตุผลมันเป็นเรื่องของกิเลสความเคยชินเรานะทุกคนมีกิเลสนะแต่สิ่งที่ยิ่งยิ่งใหญ่สิ่งที่ดีๆเนี่ยทําให้เราวางกิเลสใหญ่ๆมาอยู่ที่นี่ได้ไงอันนี้ชนะแล้วครึ่งหนึ่งอ่าร่อมาแล้ว อย่าปล่อยโอกาสให้มันผ่านไปโดยใช่เหตุอย่าให้ชีวิตเรานับถอยหลังแก่ตายไปเฉยเฉยนะมันไม่ใช่ตายฟรีนะเรายอมตายฟรีอยู่แล้วไงเราถึงทิง้งลาภยชน์ลเสริญทิ้งโพ ก, กรทรัพย์มาไงไหนไหนมาแล้วอย่าให้มันตายเปล่านะถ้าเราตั้งมั่นศรัทธาคนเขาหวังดีเขาจะพูดในในายยาคของเขาก็ให้เขาพูดไปอย่าไปขัดแย้งกับเขาสักแต่ว่าได้ยิน เขาไม่เข้าใจหรอกเราทำอะไรอยู่เขาก็เอาอคติเขามองเรานะเมื่อเราขึ้นชื่อว่าเป็นผู้รู้เราต้องเป็นผู้ให้อภัยนะให้อภัยนี่ยังสายเกินไปนะแต่เนื่องจากเรามีความรู้สึกนะมีอคติเหมือนกันเราไม่พอใจพวกเราต้องให้อภัยแต่ถ้าเราฝึกจนว่าสัตว์แต่ได้ยินได้เนี่ยไม่ต้องเสียเวลาให้อภัยด้วยสัตวแต่วได้ยินนั่นแะ ตอนนั้นเราปลอดภัยโอเคนะก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาเตายและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลนจักรวาลพร้อมทั้งบุญบรารมีที่ได้ร่วมกันประพฤติธปฏิบัติมาได้คุ้มครองทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวเเอร